พระองค์ก็ตัดพระเกศาและมงกุฎของพระองค์ที่ประดับด้วยรัตน์อันงามอย่างยิ่งด้วยพระขันอันคมกริบเฉกเช่นกับกลีบบัวขาบอันไม่มีมนฑินด้วยพระองค์เองพระองค์ก็เหวี่ยงพระเกศาขึ้นไปในอากาศอธิษฐานด้วยนะวิเวี่ยงธรรมนาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเกศาเหล่านี้อย่าตกถึงพื้นดินถ้าไม่ได้เป็นก็ขอให้มันตกลงมา น, นะก็เวียงไปก็ ถ้าตกลงมาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเดี๋ยวใจถอดหมดอ่ะนะเพราะว่าท่านมาเนี่ยเทวดามาเชื้อเชิญเทวดาก็เลยรีบมารับเดี๋ยวจะตกดินก็เลยรับไปในท้องมหาอากาศเพราะฉะนั้นเท้าส ก, กัดเทวราชก็รับด้วยพระอบทองนําไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างเจดีสําเร็จด้วยรัตนะเจ็เหนือยอดขุนเขาสินรุสูง3ามโยดเนี่ยนะใครมีบุญคิดว่าตัวเองเกิดในดาวดึงเดก็จะได้ไปไหว้แล้วนะบอกว่า น, นี่พระธาตุาที่รอไปไหว้าชาติหน้าเหมือนกัน พระเจดีคราวจุลามณีเจดีสถานที่สวรรค์ชั้นดาวเดืองเนี่ยพระเกศ า, าธาตุเกือบทุกเส้นอยู่ที่นั่นหมดเลยเทิดหมายว่าที่ถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยนะฝ่ายพระมหาบุรุษครองผ้ากาสายะที่เทวดาถวายคือพรมเพื่อนเก่าเนี่ยนำมาถวายเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็ผนวดอยู่ณอุทยา น, นั่นเองบุรุษแสนคนก็บวตามพระมหาบุรุษทรง ท, รทําความเพียรอยู่เจวันในที่นั้นวันวิสาขบุรมีสเสวยเข้ามาทุบายาธ ที่พระนางวิชิตเสนาอัครเหสีถวายพระพู้ติจ้าองค์นี้ก็องค์ที่สองนะที่ที่อดีตเหสีเนี่ยนะเอาเอ า, เอาอาหารนั้นมาถวายพระองค์ก็พักอยู่ณนะกลางวันณนะพระจุทยานทรงรับย่าแปดกรรมที่เจ้าพนักงานเข้าเฝ้าพนักงานนั่นแหละที่พนักงานเฝ้าอุทยานนั่นแหละเอามาถวายพระองค์ก็ทําประทักษินต้นมหาโสนโพพฤกทรงลาดสรมทัดกว้าง สันทัตยากว้างห้าแปดสอบประทับนั่งนะศึกชิงบาลังก็เกิดขึ้นนะโพที่บาลังเนี่ยนะบาลังที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพยามานก็มาพร้อมทั้งบริวารเนี่ยนะพงค์ก็ชนะพยามานเหล่านั้นด้วยฐานะบารมีเป็นต้นปถมนะแล้วก็เจริญอนานาปานสติหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ระลึกชาติสี่ทุ่มถึงตีสองก็เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ตี2จนถึงรุ่งอรุณก็พิจารณาปฏิจจสมุบาทแทงตลอดอริยมรรต์ตามลำดับก็พออรหัตตมรรคเกิดขึ้นอรหัตผลเกิดขึ้นดบก็จุดนั้นสัพพัญยุตยานทั้งมวลก็เกิดขึ้นเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหลายก็พร้อมสมบูรณ์เนี่ยนะพระพุทธคุณคืออรหังสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโตปุริสธรรมสาระิ พุทโธพควาติเนี่ยนะก็เกิดขึ้นแต่ทั่วๆไปเราจะใช้อยู่ประมาณสองสามคำที่คุ้นๆกันเลยก็คือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศับหนึ่งนะสับที่สองก็คือพุทโธคือพระพุทธเจ้าศัพท์ที่สาที่ในพระไตรปิฎกอัตถกถาใช่บ่อยก็คือพัควาพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนพระนามอื่นๆก็ใช้ตามสมควรเช่นพระมหาวีระเจ้าบ้าง พระโลกกนาฏพระผู้ที่เป็นที่ทพึ่งของโลกโลกกนายกพระผู้นำโลกเนี่ยนะอะไรอีกมั่งก็อีกพระทศพลยานพระพระทศพลพระตถาคต น, นะนะก็ ม, มีมีหลายพระนามด้วยกัน ท, ที่ที่เอามากล่าวมาขานเรียกกันในตามเนี่ยนะถ้าเป็นคนไทยจะนิยมเรียกอันหนึ่งก็คือพระสีสันเพชรเป็นต้นเนี่ยนะ ก็จะมีพระนามต่างๆซึ่งเป็นพระนามที่ได้มาจากการตรัสรู้เป็นพระนามที่เกิดในที่สุดแห่งอรหันตผลนั่นเองชื่อเหล่านี้เมื่อเป็นพระอารหรันต์เลยนะจึงได้ชื่อเหล่านี้ตามมาหลังจากที่แทงตลอดแล้วพระองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยามรุ่งอรุณพร้อมกับแสงอรุณดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นนั่นแหละพระองค์ก็เปล่งอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเลยว่าอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้น พระองค์ก็ยับยั้งอยู่ในบริเวณต้นโพ7สัปดาห์สัปดาห์ที่8อันเท้ามหาพรมาราธนาพระองค์ก็ประธานรับรองเนี่ยนะคือตรวจดูสรรพสัตว์พอที่จะโปรดได้แล้วพระองค์ก็รับรองว่าจะแสดงธรรมสงเคราะห์เวนัยสัตว์เวนัยสัตว์นี่แปลว่าสัตว์คู่ควรแก่สังวรวินยัยสัตว์ผู้คู่ควรแก่ปหานวินายสัตว์ผู้คู่ควรแก่โสดาปันติมักเป็นต้นนั่นเอง พระองค์นั้นโดยปกติแล้วอันพิสุตสี่แสนรูปที่บวชพร้อมกับพระองค์ณนะธนันชัยราชอุทยานแวดล้อมแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรณะที่นั้นในสมัยนั้นธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกดเนี่ยนะคำว่าสัตว์แสนโกดนั้นก็คือพระภิกษุ ป, ประมาณเนี่ยแสนรูปที่เหลือก็เป็นเทวดา ซึ่งพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังเนี่ยนะในพุทธวงว่าต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมะพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่านาร ะ, ะผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เปรียบก็ได้เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นเชทดอรสเนี่ยนะเป็นลูกชายคนโตที่หน้าเอนดูของพระเจ้าจากกักรพรรดิ ทรงสวมอาภรณ์แก้วมณีเสด็จเข้าพระราชอุทยานก็เล่ารวบรัดเลยนะอยู่ในวังออกบวชที่ไหนบอกบวชในราชอุทยานแสดงว่าที่เมืองกับที่ตรัสรู้เนี่ยเมืองเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปไหว้สังเวชนียสถานพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ไกลกันเลยนะเพราะว่าเมื่อที่ประสูตรกับที่ตรัสรู้ไม่ห่างกันเนยนะมันไปลงที่เดียวไหว้ได้หลายที่แต่นี่แม้ที่ตรัสรู้ได้อยู่ในอยู่รัฐพิหารอินเดีย ที่ประสูตรนู่นอยู่เนปาลเนี่ยนะต้องข้ามประเทศต้องวีซ่าสองวีซ่าจึงจะไปได้นี้ครั้งนี้ไปก็ไม่ได้ไปไปไหว้ที่ที่ตัสรุนะเอ่อที่ตัสรุส่วนที่ประสูติไม่ได้ไปเอ่อต่อไปว่าที่พระอุทยานนั้นเนี่ยนะก็มีต้นไม้งามแล้วก็เป็นต้นกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านพระองค์เสด็จไปถึงต้นไม้นั้นแล้วก็ประทับนั่งพายนั่งภายใต้ต้นมหาโสนะ ณนะต้นไม้นั้นก็เกิดยานอันประเสริฐเป็นญานที่ไม่มีที่สุดเป็นยานที่คมเปรียบเสมอด้วยวัชิระเรียกว่าแหลมคมประดุดเพชรเหมือนกันพระองค์ก็พิจารณาความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายพระองค์ขจัดกิเลสทุกอย่างโดยไม่เหลือเลยณนะต้นไม้นั้นเรียนกะว่านั่งโคนต้นโพพิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บรรลุโพธิญาณและพระพุทธญาณทั้ง14สิ้นเชิง แปล ว, ว่าแทงตลอดพุทธคุณโดยไม่มีส่วนเหลือครั้บนบรรลุพระโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมแก่ศัตว์ก็ได้มีแก่สัตว์จำนวนประมาณแสนโกอคคำว่าโอรสเนี่ยนะโดยศัตว์นะบทที่เขาเอ็นดูแล้วอันเขากอดประทับไว้ที่อกชื่อว่าอะอาทนะิย อ, อัยตะโอรสโอรสก็คือผู้ที่เกิดจากอกแล้วก็สวมกอดเอาไว้ในอกเนี่ยนะก็เลเรียกว่าโอรสบทว่าญาณวรุปปชิได้แก่ญานอันประเสริฐเกิดขึ้นทรว่ายานที่ประเสริฐปรดุษเพชรเนี่ยเกิดขึ้นอนอันตังเป็นญานที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้วัชิรูประมังเป็นญานที่คมเช่นกับวัชิระคือเพชร ยานที่แหลมพรมประดุดเพชรเจาะได้หมดนี้เป็นชื่อของวิปัสนายานทั้งหลายมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นโดยเฉพาะพระยานของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีการพิจารณาสัมมาสนาญานี่กว้างขวางยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็พิจารณาสังขารโดยโดยแทบไม่เหลือเล ย, เ น, ยนะอย่างสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปพิจารณาวิปัสนาหรือเจริญพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะโดยเอกเทศแต่พระโพธิสัตว์พิจารณา สักทั้งหลายเป็นจักรวาลเนี่ยนะเป็นจักรวาลเพราะเป็นบาต ท, ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะวญญาณของพระองค์นั้นแหลมคมมากเพราะสังเกตดูนะของเราทั้งหลายเดี๋ยวก็คิดไปหน่อยหนึ่งก็ทู่แล้วคือไม่ค่อยคมนะมันทู่ง่ายนะกรีดเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ทําท่าจะผ่าตัดได้นะกรีดไปนิดเดียวว่าทู่หมดแล้วแต่ของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพิจารณายิ่งพิจารณายิ่งคมไปเรื่อยๆ นะยังถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยรูปไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นนะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือว่ารูปเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราค่าร้อนเพราะไฟคือโทสะเป็นต้นหรือพิจารณาว่ารูปทั้งหลายเนี่ยนะว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืน พอไปไหนก็หาวแล้วนะทู่หมดแล้วนะพอหาวสองครั้งก็หมดสภาพแล้วนะนอนดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่ว่ากันอีกทีอย่เงี้ยมันก็หาวเพราะนั่นก็มันยานมันทู่จริงๆเลยนะ <S <s ก็จะเรียกว่ายานหรือว่าสันมีดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะไม่ใช่มีดสองคมนะเอาสันมีดมาก็ๆๆเรียกว่าแร่แร่แรแต่แลนก็ชักเก็บมันก็คู่ควรแล้วนะสมควรแล้วที่ไม่ได้ตัดสรู้อะไรเหมือนกันเถอะที่ไม่ได้เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะว่ายานมันทู่นะ จะพูดใช้คำว่าวัาชิรูประมังไม่ได้เนี่ยต้องใช้อะไรภูเขาประมังเนี่ยมันทู่เหมือนภูเขาเนะพระองค์นั้นพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาสังขารด้วยยานเนี่ยนะถูกเหมือนกับคาว่าวิปัสนาญาณเนี่ยครับเปรียบเหมือนพระนันทกะสอนพระภิกษุณีทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีโคตัวหนึ่ ง, ง น, นะเป็นโคที่ตายแล้ว นะก็มีคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดก็ใช้มีดแล่โคเนี่ยนะมาแล่กรีดหนังกรีดหนังปกตินี้ถ้าเขาแล่โคเนี่ยนะเขาจะยกเท้าทั้ง4ีนี่ขึ้นแล้วก็กรีดช่วงท้องออกมาแล้วก็ถลกแล่หนังออกแหวกซ้ายแวกขวามันก็จะเหลือแต่เนื้อแล้วก็ค่อยกรีดปาดเนื้อออกทีละชิ้นทีละชิ้นก็เหลือแต่สี่โครงเนี่ยนะก็มีการตัดสี่โครงตัดขาตัดอะไรก็เอาไปจําหน่ายไปตามเรื่องตามราว แต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะเขาบอกว่าพอกรีดเสร็จมันเหลือแต่โครงกระดูกแล้วเอาหนังมาปิดตามเดิมเนี่ยนะเพิ่งเห็นว่าขันห้าเช่นกับเช่นกับโคเช่นกับโคฉันธราคะเยื่อใหยที่มีในติดเหมือนเส้นเอ็นสายรัดเนี่ยนะสายที่รัดเนื้อให้ติดกับกระดูกอะไรที่ตัวตัวเอ็นตั ว, ตวอะไรที่รัดติดไว้กับกระดูกอันนั้นเปรียบเหมือนกับหนังที่ราคะเหมือนกับสังโยธทั้งหลายที่มันร้อยรัด นะคำว่าปัญญาก็เหมือนกับมีดเนี่ยนะเป็นเหมือนกับปัญญาที่กรีดออกไปพัน้ะมีดไม่คมจริงเนะี่ยกรีดไปนิดเดียวนี่ก็ทู่หมดแล้วนะถ้าใครที่เคยทำกับข้าวนะเรียกว่าซอยอะไรไปนิดเดียวนี่ก็ทู่หมดแล้วจะซอยอะไรก็ไม่เข้าออแล้วอันนี้ก็เหมือนการปัญญาที่ปัญญาของพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นแหลมคมเขาเรียกว่าแหล่อ ย, อย่างเนี้ย หมายความว่าวิจัยในลักษณะเนี่ยเหมือนกับการผ่าตัดเช่นนี้แบบแทบไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะกับสัตว์เป็นหมื่นหมื่นเป็นล้านล้านเป็นกดโกธเนี่ยนะซึ่งถ้าปัญญาไม่คมกล้าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะปัญญามันทู่ก็สังเกตจากฟุงมัง่งห่าวบ้างง่วงบ้างนะคิดถึงเพื่อนบ้างหาพวกคุยดีกว่าอย่างเงี้ไปแล้วมันก็พวกนี้ก็ปัญญาไม่ค่อยคมแต่ถ้าปัญญาคมนั้นอ่าเขาบอกว่าคิดถึงภูเขาก็อะไรนะถ้าปัญญาประดุจเพชรเนี่ยนะอย่าง วชิรูปรมังเนี่ยเป็นชื่อของโดยสับเนี่ยหมายถึงอาวุธของพระอินเนี่ยนั้นพโยนไสภูเขาภูเขาก็กระจายฉันใดปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยพิจารณาขันเหล่าใดขันเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งมันปัญญาของท่านเนี่ยยิงได้ไวแล้วก็ยิงได้ไกลมันจะพิจารณารูปได้ทั้งหมดรูปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาวละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ก็พิจารณารูปเหล่านั้นได้โดย ไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะแล้วไม่ติดไม่ขัดเหมือนลูกศรที่พ้นนนะบุรุษผู้มีกำลังยิงลูกศรลูกศรแล่นไปจากแล่งโดยไม่ติดไม่ขัดฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็แหลมคมวิจัยใไร้ครวนทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นบทว่าอุ ก, กุศชม ะ, ะว่กุศชะกังเนี่ยนะพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของสังขารทั้งหลายอธิบายว่าเพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาปัจจยาการ โดยออกจากจตุทชาญนะที่มีอานาปานาสติเป็นอารมณ์ฌานที่สี่เนี่ยนะฌานที่สี่ของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจากการกาหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกจนได้ฌานที่สี่ตอนปฐมยามแห่งราตรีฌานที่สี่ที่เบาอ่อนควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติอัง น, นั้นฌานที่สีในปฐมมยามนั้นจึงเป็นบาตรแห่งการระลึกชาติพอมัชชิมายามพระองค์ก็เข้าฌานอีกครั้งออกจากฌานแล้วก็เมื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมไปเพื่อพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพอพิจารณาจนสมควรก็ออกเข้าฌานใหม่เข้าจตุทัชฌานทีนี้เข้าจตุทชฌานก็เป็นบาตรแห่งการ พิจารณาปฏิจจสมุปบาทก็คือพิจารณาขันธาตุอายตนะซึ่งขันธาตุอายตนะถ้าย่อลงมาก็คือชารากับมรณะเพราะพิจารณาชาราและมรณะชารามรณะก็คืออะไรว่าโดยย่อตัวชารามรณะคืออะไรก็คือขันห้าเหตุให้เกิดขันห้าคืออะไรนิพพติก็คือชาติเพราะชาติเกิดนั่นแหละรูปจึงเกิดถ้ารูปถ้าไม่มีการเกิดนิพพติ คือชาติถ้าชาติไม่เกิดรูปประคันจะเกิดได้ไหมรูปประคันก uh ็เก <paws> ิดไม่ได้เนี่ยนะแล้ก็มีการเริ่มการพิจารณาว่าว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดและชาติเกิดนี่แหละจึงมีรูปถ้าไม่มีความเกิดและรูปเหล่านี้จะมีได้อย่างไรนะแล้วท้าถามว่ารูปเหล่านี้จะดับดับเพราะอะไรดับก็พิจารณาว่าถ้าตันหาดับถ้ากรรมดับถ้ากรรมดับตันหาดับ อาหารดับรูปเหล่านี้ก็ดับก็พิจารณาแต่ละขันเหตุเกิดนะนะถ้าย่อๆแบบที่อื่นจะใช้ศัพท์อีกแนวหนึ่งนะอย่างนายปฐมทศพลสูตรหรือว่าทุติยทศพลสูตรเนี่ยนะกำลังของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าพงบาลูศีหานาตว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปรูปเป็นอย่างนี้นะเหตุให้เกิด ร, รูปเป็นอย่างนี้นะถ้าจะดับรูปดับอย่างนี้นะ ดังนี้เวทนาดังนี้เหตุให้เกิดเวทนาดังนี้ความดับเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับไปแห่งวิญญาณก็ขันห้าเหตุให้เกิดขันห้ามี25เหตุเหตุที่ดับขันห้าถ้าขันห้าดับก็ดับโดยอาการ25ก็พิจารณาเข้าใจเหตุเกิดและความดับก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิลมนะ พิจารณาเหตุเกิดด้วยอาการ50เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณถ้าหากว่าโดยความดับโดยอาการ25ก็คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมถ้าอาวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับเป็นต้น เมื่อรอบรู้พิจารณาเหตุเกิดและความดับของอุปาทานขันห้าตามเป็นจริงแล้วก็เจริญวิปัสนาก็คือเจริญอนิจจานุปัสนาในขันห้าเจริญทุกขานุปัสนาในขันห้าเจริญอนัตตานุปัสนาใน ขันห้าเนี่ยนะเมื่ออนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนานิพพิธานุปัสนาบริบูรณ์นิพพิธานุปัสนาก็บริบูรณ์เมื่อนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนานิพพิธานุปัสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสนาก็บริบูรณ์เมื่อวิอ่านิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนานิพพิธานุปัสนาวิราขานุปัสนาบริบูรณ์นิโรธานุปัสนาก็บริบูรณ์มันเมื่ออนิจานุปัสนา ทุกขานุปัสสนานิพิอานั ต, ตานุปัสสนานิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสน า, นร า, นาบริบูรณ์ปฏินิสค า, านุปัสสนาก็บริบูรณ์ปฏินิสาขาก็แล่นไปสู่อริยมรรคก็แล่นไปสู่อมตะนิพานแล่นไปสู่พระนิพานน้อมไปเพื่อละเพื่อละสมุทัยเนี่ยนะ วิปัสนาชั้นสูงก็เป็นไปเพื่อโคตรภูยานโคตรภูยานก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลปัจเจเวคณาญาณพิจารณาสังขารเพื่อสกทาคามีวเมื่อเป็นพระสกะทาคามีแล้วก็เจริญวิปัสนาเพื่อเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีก็เจริญวิปัสนาเพื่อเป็นพระอรหรันต